ทีนี้เมื่อติดข้องอยู่ในอาหารเนี่ยนะก็เศร้าโศกเพราะอาหารใช่ไหมเมื่อติดในอาหารก็เศร้าโศกเพราะอาหารเนี่ยนะพวกเปรตเนี่ยอดอยากในอาหารเขาหิวโหยขนาดไหนหมนุษย์เนี่ยที่ที่ต้องการอาหารไอกรหิวเนี่ยนะก็ไปหาอาหารกินอิ่มแล้วก็เรื่องอาหารเก็บก็เก็บเรื่องอาหารก็ทูกใจคลั่งแค้นใจเพราะเรื่องอาหารทําความชั่วทางกายวาจาก็เพราะอาศัยกับพระลิงกระหานเนี่ยนะมันก็บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่กินข้าวนะ ไม่กินอาหารเนี่ยโอ้บาปเนี่ยลดไปเยอะเนี่ยนะลดบาปไปเยอะเนี่ย น, นะก็เพราะอาหารนั่นแหละเนี่ยนะแต่ว่าถ้าผู้ที่เป็นพระอริยะทั้งหลายท่านก็จะสันโดษในอาหารเนี่ยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าว่าความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากมีอยู่ในภาษาอาหาร วิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามอยู่ในที่นั้นวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่ใดความหยางลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นความหยางลงแห่งนามรูปมีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้น ความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดความเกิดในภพใหม่ก็มีอยู่ในที่นั้นความเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นาชาติชรามรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดดูก่อนพี่สูดทั้งหลายเรากปล่าว่าที่นั้นมีความโศกมีความหม่นมองมีความคับแค้นเะนี่ยนะเราเนี่ยติดภาษาหานขนาดไหนรู้ไหมก่อนดูดิทางตาเนี่ย न, โอ้ยเที่ยวดูไปเรื่อยเนี่ยนะอันนั้นแหละภาษาหานทางตาใช่ไหม ผัสาะส า, ารทางหูก็เที่ยวฟังเนี่ยนะเพื่อรับกระทบอะ่ะผัสสะสารทางจมูกอ่ะนะเห็นดอกไม้อยู่ไกลยังตามไปดมเลยเนี่ยนะตามดมข้าวของทั้งหลายเลยเนี่ยนะอาหารก็ดมดูก่อนเนี่ยนะติดในผัสาะส า, ารเนี่ยนะทวารลิ้นก็ชิมดูสัหน่อยเนี่ยนะอันนี้ก็ผัสาะสารทวารกายเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะติดข้องในอากาศเนี่ยเออเย็นสบายดีเป็นต้นพวกนี้ก็ติดข้องในผัสาะส า, ารเนี่ย เพลิดเพลินในความคิดคิดไปในเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งรับกระทบทึกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่เรียกว่าภาสาหันอันพวกที่ยินดีในการรับกระทบเนี่ยนะก็เท่ากับยินดีในเวทนาเนี่ยติดข้องในเวทนาพอติดข้องในเวทนาพอเวทนาเกิดอะไรเกิดกตันหาเพราะว่าเวทนาทุกอย่างเป็นปัจจัยแก่ตันหาเพราะตันหาก็เกิด อุปาทานก็เกิดเพราะอุปาทานเกิดพบกัเกิดน่นนะคือการทํากรรมอ่ะอาศัยภาษะที่รับผกระทบเนี่ยนะทำกรรมทวารไหนบั่งที่เราไม่อาศัยภาษะในทวานนั้นทํากรรมมีไหหลังจากตาเห็นก็รูปรสรรเจตนาคือการทํากรรมหลังจากหูได้ยินเสียงก็สัสสสสทธสรรเจตนาทํากรรมหลังจากที่จะมูกรู้กลิ่นก็สัทธสันเจตนาคือการทํากรรมเนี่ยนะคันท่าสรรเจตนาเนี่ยนะถ้ารู้รสเนี่ยนะก็ รสสันเจตนาในวงอาหารเนี่ยโอ้ย ว, วิจารณ์เรื่องรถเนี่ยดูสิรสสันเจตนามีขนาดไหนนะภาษาอาหารกระบทบทางกายนะเนี่ยผ่านี้เนื้อละเอียดหอมอุ่นไม่อุ่นเป็นต้นเนี่ยตรงนี้เย็นตรงนี้ร้อนตรงนั้นเป็นต้นอันนี้ก็โพธ า, าสันเจตนาคิดนึกเรื่องราวแต่และเรื่องแต่และเรื่องพวกนั้นก็เป็นธรรมสันเจตนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอภาษาาหารเนี่ยนะมันนํามาซึ่งเวทนาสาม ในขณะเดียวกันเมื่อรับกระทบภาษะแล้วก็อยากในเจตนาที่กล่าวไปเนี่ยนะเจตนาหเนี่ยนะทีนี้ไอ้เจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะรูปสันเจตน า, ส, า, น า, ส, า, าสัทธาคันท่ารสาโพธะธรรมะสันเจตนาเนี่ยก็เป็นที่ตั้งนะเจตนานั้นถ้าล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมคิดในใจเรียกว่าเป็นมนโนกรรมเนี่ยนะนะถ้ากรรมอ น, นั้นเป็นบาปเรียกว่าอปุญญาภิสังขารถ้าเป็นบุญก็เป็นปุญญาภิสังขาร ถ้าเป็นอรูปฌานก็เป็นอาเนญชาพิสังขารันผู้ที่มีความกําหนัดเพลิดเพลินอยู่ในมโนสังเจตนาอาหารคือในเจตนาอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะว่าอาหารคือเจตนาเน้นำมาซึ่งภพสามเพราะนำเกิดในภพสามแตนถ้าเพลิดเพลินในเจตนาทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นต้นเน่ยวิญญาณก็งอกงาม ในมโนสัญเจตนาหารนั้นวิญญาณงอกงามในที่ใดความหยางลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นความหยางลงแห่งนามรูปมีในที่ใดสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดพบความเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นความเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใด ดูกรรมพิสูจทั้งหลายเรากล่าวที่นั้นว่ามีความโศกมีความหม่นมองมีความขับแค้นเนี่ยนะก็คิดดูน ะ, เ, ะเวลาคนจะตายเนี่ยนะคิดถึงบุญบ้างที่ตัวเองทำใช่ไหมแต่คิดถึงบุญบ้างคิดถึงบาปบ้างคิดถึงอเนชาบ้างเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะก็การกล่าวถึงมโนสัญเจตนาหานก็คือกรรมอารมณ์นั่นเองเราเลือกถึงกรรมะอารมณ์เนี่ยนะที่ที่ตัวเองเคยไปมีเจตนาที่เป็นบุญบัก เป็นบุญบัง้งเจตนาที่เป็นบาปบัางแล้วเลือกถึงเจตนาทางกายวาจาใจาบัง่งไอการล เ, เลืกถึงเจตนาเหล่านั้นคิดถึงเจตนาเหล่านั้นนั่นน่ยถ้าตายในขณะนั้นก็นะก็ตามสมควรกับสิ่งที่นึกถึงตอนนั้นเนี่ยนะนึกถึงบาปกว่าไปไม่ดีนึกถึงบุญกว่าไปดีเป็นต้นเนี่ยทีน้ถ้าเกิดในที่ใดอ่ะนะชาติชารามรณะก็เอาอีกแล้วแนหะนอรูปฌานนึกถึงอรูปฌานเนี่ยนะ ดูความพิสูทั้งหลายถ้าว่าความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากมีอยู่ในวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารก็คือจิตเนี่ยนะคิดถึงจิตเ่ยนะเช่นจักรคู ว, วิญญาณโสตาคานะชิวหากายะวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณพวกนี้นำมาซึ่งนามรูปพอคิดถึงวิญญาณอย่างเนี่ยนะวิญญาณก็งอกงามในที่นั้นจิตมีจิตเป็นอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าจิตที่เป็นกรรมเนี่ยนะจิตที่เป็นตัณหาเนี่ยมีจักรคูวิญญาณเป็นต้นนเป็นอารมณ์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 ชาติชรามรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความหม่นมองมีความขับแค้นเพราะฉะนั้นนรชนเมื่อตั้งอยู่ชวาไปนะเราก็ตั้งอยู่ไม่พ้นอาหารสี่นะตั้งอยู่ในกัพลิงกราหารบ้างตั้งอยู่ในภาษาหารบ้างตั้งอยู่ในมโนสันเจตนาหารบ้างตั้งอยู่ในวิญญาณอาหารบ้างพอตั้งอยู่ในอาหารเหล่านั้นก็บ่งถึงว่าพบหม่นะพบใหม่นะ ถ้ายังมีสังขารเป็นอารมณ์นะสังขารทุกอย่างนำไปสู่พบใหม่หมดอนะ่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นกัปลิงก ร, ห า, ราหานภาษาหานมโนสันเจตนาหานวิญญาณอาหารอ่ะนะสังขารทุกชนิดเนี่ยคืออารมณ์แห่งพบใหม่ได้หมดเลยนะขอให้เป็นสังขตะธรรมนะสังคตะธรรมทุกชนิดเป็นอารมณ์แห่งพบใหม่จะไปดีหรือไปไม่ดีก็ดูจาก ตัวสังขารเหล่านั้นๆว่าเจตนาที่ไปตั้งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่ด้วยกุศลหรือด้วยอกุศลก็เท่ากับเตือนประกาศว่าเป็นหาพบใหม่กันแล้วนะทีนี้เมื่อจิตของปู่ตูชนหรือของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ด้วยความเป็นอกุศลเนี่ยนะตั้งอยู่ด้วยอํานาจราคะโทสะโมหะตั้งอยู่ด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิตั้งอยู่ด้วยวิจิกิจชาอุทจจะตั้งอยู่ด้วยอนุสัยอย่างนี้นะ พอกิเลสเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนี้กิเลสมันปิดบังอย่างนี้เข้าก็อย่างลงในที่หลงอย่างลงนใจก็สแสวงหาในที่หลงที่ไหนรู้ไหมที่ที่ที่หลงอะ่ะนะที่ที่เราหลงเนี่ยที่ไหนรู้ไหตรงบอกว่ากามคุณห้าพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นที่หลงะนะรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุที่หน้าปราถนาะหน้าไข่หน้าพอใจหน้ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดนั่นแหละเรียกว่าที่หลงที่เราหลงที่สุดคือที่รูปที่เราว่าสวยที่สุดที่นั่นแหะที่เราหลงที่สุดเนี่ยนะเราติดใจในรูปไหนก็หลงอยู่ในรูปนั้นอ่ะบางคนหลงอยู่ในรูปเดียวเนี่ยนะหลายสิบปีด้วยกันเนี่ยนะออกไม่ได้เนี่ยนะเสียงก็เหมือนกันนะเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสดที่น่าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดน่ะนั่นแหละเรียกว่าที่หลงละเนี่ยนะที่เราหลงอ่ะนี ก็คิ ด, ดูนะสมมติว่าเพลงหรือคนที่เราพอใจพูดเนี่ยนะเราก็เพลินเคิบเคลิ้มไปในอารมณ์นั่นแหละนะั่นนะในในเสียงนั้นน่นนะเว้นเว้นแต่เสียงทางธรรมะเนะี่ยแต่ถ้าว่าโดยทั่วทัไปเนะี่ยบางคนเนี่ยฟังเสียงนกร้องนะมีความสุขกับการฟังเสียงนกร้องอยู่นั่นแหละนะั่นนะก็มีความสุขขนาดนะั้นฟังอยู่ดนตรีก็เคลิ้มอยู่ในดนตรีนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าที่หลงกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูก ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดหนไหก็บางคนเนี่ยติดในกลิ่นมากเลยนะมีความสุขประการดมกลิ่นนู่นกลุ่มนี้ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ไว้รอบๆเนี่ยนะเพื่อจะได้รู้กลิ่นใช้น้ําอบน้ําหอมเป็นต้นนะเสื้อผ้าต้องอบกลิ่นแบบนั้นแบบนีน้อาหารต้องมีกลิ่นแบบนั้นแบบนั้นจึงจะทานได้เนะี่ยตรงนี้ก็ติดข้องอยู่ในกลิ่นฉะนั้นกลิ่นนั้นนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเนี่ยนะ รถที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดบางคนเนี่ยนะรับรถจืดจืดไม่ได้แบบน้ําเปล่าเนี่ยไม่ได้ถ้ากินน้ําต้องเบียนน้ามีรถหมดเนี่ยนะเขาบางคนเนี่ยติดในรถมากปากนี่ก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็ลูกอมนั้นบ้างเวียนไปหาลูกอมนี้ลูกอมโน่นบ้างอ่ะนะเดียนนเเด๋ยวอันโน่นเดี๋ยวจิบเดี๋ยวก็ชิมเดี๋ยว ก, ก็กินนั่นกินนี่อยู่เรลยมันติดอยู่ในรถอยู่นั่นแหละวนจากรถหนึ่งไปสู่รถหนึ่งอยู่นั่นแหะ เพราะฉะนั้นนั่นแหละที่หลงเนี่ยนะรถไหนที่ตัวเองพอใจอร่อยที่สุดรถนั้นแหละเป็นที่เป็นที่หลงหรือว่าโพธาภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายที่หน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำลังนะนะพวกโพธภะนะนั่นแหละพระองค์เรียกว่าที่หลงเนี่ยนะถ้าจะกล่าวโดยตรงเลยนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะที่น่าปราถนาของชายก็คือ รูปเสียงกลิ่นรสโพธภาษของหญิงนั่นแหละถ้ารูปเสียงกลิ่นรสโพธภาษที่น่าพอใจของหญิงก็คือของก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาษของชายนั่นแหละมันพวกนี้มันติดข้องมันติดพันกันอย่างนั้นแหละมันจึงไม่ชอบกายยวิเวกไงไปไหนก็ชอบไปเป็นคู่ๆเรียกว่าปกติสัตว์โลกชอบเป็นคู่เขาว่างั้นชอบคู่ๆไอ้ที่เดี่ยวๆนี่หายากไนหะพวกเดียวๆทั้งหลายผิดปกติอยงนั้นนยนะ้ มันพวกรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเนี่ยนะก็มีในชาดกมีฤาษีอยู่คนหนึ่งเขาไปชอบมเหสีของพระราชาชื่อพระนางมุทุลักษนาเนี่ยพระโพธิสัตว์เล่านี่แหละไปชอบเป็นตอนนั้นน่ะท่านบวชบวชเป็นฤาษีได้ฌานเหาะไปก็ไปเห็นมเหศสีสวยมากชอบฌานเสื่อมเลยพอฌานเสื่อมเข้าอันนะตอนหนัง พระราชา ก, ก็เหมือนกับว่าจะลองใจฤๅษีนะก็ยกไม้เหสีให้ฤๅษีก็เอาอ่ะทีนี้เอาปาบอาพนางมุทุลักษณาก็บอกนี่นะเรามีเราแล้วนะเรามันต้องมีบ้านอยู่นะให้ไปขอพระราชาไปนะขอพระราชาพระราชาจะให้บ้านอ้าฤๅษีนี่ก็แบกหน้าไปหาพระราชาบอกโอ้ยข้าพระ อ, องค์เนี่ยต้องการบ้าน่นะนไหนๆก็มีคู่แล้วก็ต้องมีบ้านใช่ไหยพระราชาก็เลยเอา้าวให้ส้วมเก่าๆหลังหนึ่งนะ อ่าก็ไปไปที่ส้วมเนี่ยนะส้วมเก่าๆนั่นนะเสร็จแล้วพระเฮษีมุทุลักษณาก็บอกเออเนี่ยส้วมมันสกปรกขนาดนี้ไปเอาไม้กวาดไปไปขอไม้กวาดพระราชานะหรือศีก็เดินก็ ก, ก, ก, ก็ไปหาพระราชาหาไม้กวาดเนี่ยนะก็เริ่มไปขอทีละอย่างเนี่ยก็เดินจนเหนื่อยนะเดินทั้งวันอะ่ะไปขอเดินไปขอเนี่ย น, นะ ก็คิดดูนะฤษีเนี่ยก็ได้สติขึ้นมานะโอ้โหเนี่ยนะพ่อรูปนางมุทุลักษณาอย่างเดียว่มันตามมาอีกบานเลยเนี่ยนะที่อยู่คนเดียวนี้ที่อยู่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมคุณอยู่คนไม้ก็ได้นะคนไม้ก็ได้ไม่เดี๋ยวริวนะ่มแต่ถ้าอยู่คู่เมื่อไหร่เริ่มลนะเริ่มมีปัญหาแล้วนะเรา่ ม, มีที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไม่ได้เดี๋ยวเขาจัดแจงหมดเสือ้ออย่างนี้ไม่ได้ต้องเสื้ออีกตัวหนึ่งไงไล่ให้ไปเปลี่ยนเสื้อก็ยอมเนี่ยนะ มันก็เริ่มแล้วนะแม้กระทั่งเครื่องนุ่งหม่มเรื่องอาหารเนี่ยก็ต้องเอาเข้าใจกันน่ยเราะกว่ามีเรื่องเดียวเนี่ยปัญหาตามมาบาลเลยนะมันอารมณ์ทั้งหลายที่น่าปรารถนานี่แหละเรียกว่าที่หลงนะสิ่งที่เราพอใจที่สุดตรงนั้นแหะเรียกว่าที่หลงทีนี้ถามว่าพระเหตรายกามาคุณห้านะคือรูปสวยๆเสียงพราะๆกลิน่นหอมๆรสอร่อยๆโพธิภาพที่น่าปรารถนาเนี่ยพระ อ, องค์จึงเรียกว่าที่หลงพระธรว่า เทวดาและมนุษย์โดยมากย่อมหลงเนื่องจากเทวดาเนี่ยนะหมกมุ่นอยู่สิ่งเหล่านี้แหละเพราะเทวดาก็หลงหลงพร้อมหลงเสมอเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงพร้อมเป็นผู้หลงเสมอในกาลมะคุณห้าเพราะใจทั้งหลายเนี่ยไม่วนอยู่กับรูปก็วนอยู่กับเสียงเนะี่ยไม่วนอยู่กับเสียงก็วะวนอยู่ในกลิ่นไม่วนอยู่ในกลิ่นก็ในรถนั่นแหละก็เลยเป็นผู้มีอวิชชาเนี่ยทำให้ตาบอด หุมหอ่อเอาไว้ปิดบงังเอาไว้ปกปิดเอาไว้ปกคลุมเอาไว้ครอบงำเอาไว้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามคุณห้าเนี่ยพระองค์ยังตรัสว่าเป็นที่หลงเพราะฉะนั้น น, นะสำหรับนรชนทั้งหลายเหล่านี้ผู้ติดข้องอยู่ในถ้ำคือร่างกายกิเลสปิดบังเนี่ยนะตั้งอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสก็ยังลงในที่หลงคือรูปเสียงเปรนรถโพธพภะทั้งหลายเนี่ยแหละก็จมมกมุ่ น, น, นเหมือนกัน อย่างลงในที่หลงก็คลุกคลีอนะก้าวลงในที่หลงก็คือไม่คบสัตว์บุรุษเพื่อจะฟังธรรมหมกมุ่นอยู่ในที่หลงก็ไม่ฟังพระสัตธรรมแล้วนะพอจมลงในที่หลงก็เว้นจากการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดโลกุตระธรรมนะเขาจะไม่เอาอย่างนั้นนะก็เดินชีวิตอยู่ในวัตฏะนี่แหละนะใช้ชีวิตอยู่ในวัฏฏะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะจากตาชาติหนึ่งก็ไปสู่ ป่าช้าอีกป่าช้าหนึ่งนะจากคันหนึ่งก็ไปสู่อีกคันหนึ่งจากไข่ชนิดหนึ่งก็ไปเกิดในไข่อีกชนิดหนึ่งเนยนะไปเรื่อยนะโดยที่สุดแม้แต่ลูกมะเดือ่อยังไปเกิดในนั้นได้เอา้าเห็นไหม่าน่าใช่ไหมลูกมะเดือลูกกลมๆเนี่ยนะมันมีนะพวกมแมลงมันยังไปเกิดอยู่ในมะเดื่ออย่างนั้นนะนเพราะนันพวกนั้นอนะ่ะจึงเป็นที่ตั้งแห่งความหลงกันนะเป็นที่หลงจริงๆ